ธรรมเทศนาของพระสุทธิธรรมมรังสีครรมภีรเมธาจารย์ท่านพ่อหลีธรรมธโ ร, รวัดอโศกา ร, ราม5ตุลาคม2503 ศสนาคิด ตั้งใจกันสับธรรมวันนี้จะมีการแสดงธรรมตลอดสว่างสับเปลี่ยนกันใครมีศรัทธาหรือความสามารถฝีมืออย่างไรก็แสดงกันเสียเพราะในการต่อไปนั้นอาจจะไม่ได้อยู่ร่วมกันอย่างในพรรษาเพราะธรรมดาธรรมเนียมของพระพุทธเจ้าซึ่งพระองค์ได้ทรงปฏิบัติมา สมัยครั้งพุทธกาลไม่เหมือนทุกวันนี้คือธรรมดาพระภิกษุและสามเณรหรือญาติโยมผู้มุ่งต่อการปฏิบัติย่อมแสวงหาการวิเวกเมื่อออกพรรษาแล้วก็ต่างคนต่างไปทำการวิเวกเป็นเรื่องส่วนตัวหรือเป็นเรื่องส่วนบุคคลผู้อื่นแต่เป็นเรื่องลึกลับถ้าคนไม่มีความคิด เป็นคนที่ขาดสติขาดปัญญาก็ไม่สามารถจะมองเห็นประโยชน์อันลึกลับฉะนั้นผู้ที่พนานาให้ฟังนี้ยังถูกเขาเหยียดยามย่ำยีอย่างมากมายจนตลอดถึงพระมหาเถระผู้ใหญ่ยังเคยเหยียบย่ำแต่เราก็ไม่ถือเพราะเหตุใดเพราะเหตุว่าเราถือว่าใหญ่แต่ตัวใหญ่แต่ชื่อ แต่ความคิดสั้นแค่หางอืงอ่างฉะนั้นจึงไม่โกรธไม่แค้นตอบแทนท่านผู้นั้นคือสมัยที่ออกปฏิบัติหรือในการต่อมาจนตลอดการบัดนี้นิสัยนั้นชอบไปวิเวกชอบไปอยู่ที่สงัดชอบหลับตาชอบไปอยู่ป่าอยู่ดงนิสัยอิจตาทันดานเป็นอย่างนี้แล้วก็ถูกหมูคณะ เถระผู้ใหญ่ท่านปรารถนาอะไรก็ไม่ทราบท่านก็ว่าเสียดสีต่างๆตัวอย่างเช่นพระขี้กลัวเอาตัวรอดไม่เห็นประโยชน์ของหมู่หลบหลีกเปลี่ยตัวหนีไปอยู่ตามฝ่าตามดงอย่างนี้ก็ได้ถูกกระทบกระเทือนมาตั้งแต่ออกปฏิบัติจนบัดนี้ก็ยังมีอยู่บ้างแต่ใจนั้นน่ะไม่ได้สนใจในเรื่องนั้น เพราะเหตุใดเพราะเหตุว่าเราถือว่าคนปัญญาสั้นตาตื้นบางทีเขาก็ว่าเสียดสีว่าไอเราเรียนหนังสือมาลืมหูลืมตาทั้งท่องทั้งบนทั้งเทศทั้งสวดทั้งสอนทั้งเรียนแสวงหาความดีถึงขนาดนี้ก็ยังไม่เห็นอัดเห็นธรรมแล้วจะไปนั่งหลับตาให้มันเห็นธรรมนั่นนะ่ะมันจะมีหนทางไป ได้แค่ไหนอย่างนี้เขาก็ว่าแต่ว่ามันไม่มีความซื่อสัตย์เขาว่าประชดเหตุนี้แหละสมัยนี้จึงไม่เหมือนกับสมัยครั้งพุท ธ, ธากาลจนตลอดพระเนนของเราก็ไม่เหมือนถึงจะเหมือนก็ตามไม่เหมือนก็ตามแต่เราก็ไม่ได้สนใจแต่เรื่องใดที่เป็นพุท ธ, ธวจนะก็ทำไปตามหน้าที่ฉะนั้น การที่ทำอย่างนั้นถึงจะมีอาการกระทบกระเทือนเปลี่ยนสีเพียงไรก็ตามไม่สนใจไม่เหลียวแลไม่ฝากไฟจนตลอดในการต่อไปก็เช่นเดียวกันกิจอันใดซึ่งเป็นาศาสนากิจเป็นเรื่องศาสนาและเป็นเรื่องทำประโยชน์ให้ตนเองเราก็จะต้องทำเรื่อยไปจนฝ่าชีวิตจะหาไม่ เมื่อเป็นเช่นนี้แหละพวกเราฝ่ายพุทธบริสัท์ฝ่ายพระภิกษุสามเณรและญาติโยมก็ดีผู้มุ่งต่อพุทธวจนะหรือมุ่งต่อการละกิเลสมุ่งต่อการทำกิตของการศาสนาให้ดีขึ้นก็อาจจะมีการไปวิเวกไปหาที่สงบสงัดปฏิบัติตนเพื่อทำความบริสุทธิ์สะอาดฉะนั้นการไปทำเช่นนั้น ก็มีประโยชน์ซึ่งมนุษย์ผู้มีตาอันตื้นไม่สามารถจะแลเห็นเช่นเมื่อไปอยู่สถานที่เช่นนั้นก็ยังหาโอกาสให้ได้รับความสะดวกอย่างมากมายนั้นประการหนึ่งประการที่สองก็ได้ช่วยสัตว์บางจำพวกคำว่าสัตว์สัตว์อันนี้แหละไม่หมายแค่สัตว์เดรัจฉานไม่หมายแค่สัตว์มนุษย์จนเทวดาก็เรียกว่าสัตว์ อย่างรูปเทวดาอยู่ตามต้นไม้ก็มีภูมิเทวดาอยู่ตามพื้นแผ่นดินก็มีอรัญญะเทวดาอยู่ในป่าก็มีอยู่ตามเขาตามถ้าก็ดีเป็นที่อยู่ของสัตว์โลกไม่มีที่ว่างฉะนั้นการไปอย่างนั้นผู้มีปัญญาหรือมีตาภายในก็สามารถที่จะสร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นแต่สัตว์เหล่านั้นได้เหมือนกัน คือได้รับประโยชน์บางทีได้รับประโยชน์ดีกว่าคนอย่างพระพุทธเจ้าของเรานั้นเทศนาอยู่บนสวรรค์โปรดเทวดานั้นนะ่ะสำเร็จคุณงามความดีนับเป็นโกโกฎแต่ว่าโปรดสัตว์นั้นบางทีก็คนหนึ่งสองคนยี่สิบสามสิบแค่นั้นอันนี้เป็นประโยชน์ลึกลับอันจะพึงได้รับแก่ผู้ปฏิบัติ นอกจากนั้นก็ยังจะได้โปรดซึ่งสัตว์ใรชานบางพวกบงลงผลประโยชน์จะพึงได้รับก็คือประโยชน์ของตนเองบ้างประโยชน์ของคนอื่นบ้างอย่างนี้ฉะนั้นจึงเป็นสิ่งควรที่จะต้องเสาะแสวงหากระทำบำเพ็ญให้เกิดขึ้นในภาวะของตนกิจอันนี้เป็นกิจศาสนาอย่างสำคัญแต่กิจอื่นนั้นเป็นอติเรศกราล เป็นของเบ็ดเต็ดไม่ใช่ชีวิตของพระศาสนามันเป็นเครื่องส่งเสริมชีวิตเท่านั้นการปฏิบัตินี้แหละมันเป็นตัวชีวิตทีเดียวฉะนั้นเวลาที่พระเนนจะมาบวชนั้นท่านจึงสอนข้อสําคัญอยู่สองข้อข้อที่หนึ่งท่านสอนกรรมฐานให้ในเบื้องต้นเมื่อตนของตนไปขอบรรปชาเป็นสามเณร เมื่อขอบรนประชาสําเร็จอุปัชาก็ซักซ้อมไต่ถามดูว่าท่านมีศรัทธาจะบวชจริงหรือท่านปลดความเกี่ยวข้องปลดความกังวลในทางคารวาะหรื อ, อยังเมื่อไต่ถามเห็นความเป็นไปพอสมควรแล้วก็สอนกรรมฐานให้แต่ยังไม่ได้นุ่มผ้าเหลืองเสียด้วยยังไม่ได้เป็นสัมมาเนนเสียด้วยซ้ําพ่อพระนมมือประโย o เท้าขึ้นมา ท่านก็สอนกรรมฐานให้เลยเกสาผมโลมาขนนาขาเล็บดันตาฝันตะโจหนังถ้าพระองค์ไม่ได้ทรงมองเห็นเป็นข้อสำคัญจะมาทรงสอนทำไมพระองค์ทรงเห็นว่านี่แหละคือชีวิตของพระเมื่อบวชมาต้องทำอย่างนี้ทุกคนใครไม่ยอมรับกรรมฐาน ก็ไม่นุ่งผ้าให้เลยเป็นเด็ดขาดนี่จึงเรียกว่าการเจริญกรรมฐานบำเพ็ญสมาธิเป็นชีวิตของพระภิกษุสามเณรท่านให้แนวทางอย่างนี้เวลาเป็นสามเณรรับศีลสิบแล้วก็สวดจะตูทพกรรมเป็นอันเสร็จพิ ธ, ธีการอุปสมบทและเมื่ออุปสมบทแล้วท่านก็อย่าทะนงตัวอย่าอวดมั่งอวดมีอวดดิบอวดดี ท่านไม่มีอะไรติดตัวแม้ผมเส้นเดียวก็ไม่เหลือโกนหมดตัดหนวดตัดเล็บตัดอะไรต่ออะไรต่างๆหมดแล้วก็ตัดจากญาติจากโยมเป็นต้นว่าตัดจากมารดาบิดาจึงได้ถามเป็นคาถาว่าอนุญญาโตสิมาตาปิโตหิพ่อแม่ของท่านหวงแหนหรือเปล่าไม่หวงเจ้าข้า ในฝ่ายบ้านเมืองเขาหวงแหนหรือเปล่าเราก็ตอบว่าในฝ่ายบ้านเมืองทางราชการไม่มีการหวงแหนอะไรเลยไม่มีกังวลตัวของตัวเองเป็นคนสมบูรณ์หรื อ, อยังมนุษย์โซสิท่านเป็นคนหรือเป็นสัตว์เป็นมนุษย์เจ้าข่าทีนี้ท่านก็ถามอีกว่าเราเป็นผู้บรรลุนิติภาวะหรื อ, อยังเรียกว่า อายุถึงยี่สิบหรื อ, อยังเราก็รับว่าอายุถึงยี่สิบได้เรียงไปจนหมดท่านเป็นคนดีหรือเป็นคนพิการถามไปจนหมดเราก็ตอบว่าเราเป็นคนบริสุทธิ์สามประการประการหนึ่งเราไม่เกี่ยวข้องกับคารวาสญาติโยมพ่อแม่วงสกุลประการที่สองการปกครองในฝ่ายบ้านเมือง เราก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกังวลประการที่สามเราไม่มีโรคภัยไข้เจ็บติดต่อเพื่อจะก่อความกำเริบให้เกิดขึ้นแก่คณะสงฆ์เมื่อสำเร็จความหมายสามประการนี้เช่นนี้แล้วท่านก็ว่าดีแหละดีแหละสาธุสาธุดีแหล ะ, หล ะ, หละท่านทั้งหลายจงตั้งใจปฏิบัติในกรณียกิจอันเป็นกิจควรทำของสมะ ท่านจึงกล่าวเป็นภาษาบาลีว่าปินดิยาโลปะโภชนังนิสสายะประบัจยาตัฏเตยาวะจีวังอุตซาโฮระนีโยเมื่อท่านบวชเข้ามาแล้วหมดจากญาติหมดจากพี่น้องวงวานต่างๆท่านต้องอาศัยบาตรลูกหนึ่งแล้วก็อุ้มไปเที่ยวบินทบาทกินจนกว่าท่านจะสิ้นชีวิตนี่เราก็รับ คือแปลว่าเราไม่แสดงตนเป็นคนมั่งคนมีเที่ยวซื้อถูกขายแพงมาหาเราหากินอย่างนกธรรมดานกนั้นถึงตอนเวลาหากินก็บินไปเมื่อไปเจอต้นไม้ใหญ่มีในสถานที่ใดก็กินกันกินอิ่มแล้วก็ไม่ต้องคาบใส่ปิดกลับมามาแต่ตัวพระภิกษุผู้บวช ในศาสนา ก, ก็เช่นเดียวกันไม่ต้องสะสมอะไรต่างๆนี่ท่านก็สอนเราเราก็รับว่าอามะพันเตจะปฏิบัติตามทั้งนั้นแหละอุปชานี่ข้อหนึ่งข้อที่สองปังสกูละจีวรังนิสสายะปะปัจจาะะยาวจีวังอุตซาโขระนุยโยอย่าอวดมั่งอวดมีอวดดิบอวดดี ให้เที่ยวแสวงหาผ้าบางสกุลมาปกปิดอวัยวะเป็นสำนนะเพศในพุทธศาสนานอกนั้นไม่ใช่ชีวิตมันเป็นเครื่องอุปการะไม่ใช่เส้นทางที่พระพุทธเจ้าทรงสอนเป็นส่วนอธิเรกระลาบนี่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะต่อ น, นั้นก็อนุโลมตามเป็นขหาปติจีวรเป็นต้นว่าให้รับผ้าป่า กถินเป็นอติเรศลาภขหาติจีวรได้มาจากญาติโยมถ้าได้มาด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมีจิตผ่องใสถวายทานก็รับไปเถิด น, นี่เป็นข้ออนุโลมนี่ก็เป็นาศาสนากิจเป็นกรณียกิจเป็นกิจควรทาของสมรมเนนผู้มาบวชในพระาศาสนาข้อที่สามก็สอนว่า รุกขมูละเสนาสนังนิสายะปัปัจจาตถาเตยาวะจีวังอุดซาโฮกะระนุโยเมื่อท่านบวชท่านอย่าไปกังวลเกี่ยวข้องในสกุลให้หาที่วิเวกอันสงัดไม่ต้องวุ่นวายมีโอกาสเหมาะเวลาดีก็จงพากันหนีจากอาวาสแล้วก็ไปอยู่ในสถานที่อันสงัดอย่าไปอวดดิบอวดดี อวดมั่งอวดมีอวดยศอวดลาภให้ตนปราบกิเลสทิฏฐิมานะไปอยู่ตามต้นไม้และภูเขาเรียกว่ารุกขมูลเมื่อเราไปอยู่ในสถานที่เช่นนั้นมันเป็นของดีวิเศษดียังไงประการที่หนึ่งมันกันความขี้เกียจทําไมถึงกันความขี้เกียจมันกลัวมันกลัวตายมันเปลี่ยว มันมีสัตว์ร้ายจะคอยเบียดเบียนประการที่สองเราไปอยู่ในที่สงัดปฏิบัติตัวเป็นคนวิเวกท่านจะรับไหมเล่าท่านก็ถามเราก็ว่าอามะพันเตเรายอมปฏิบัติตามอุปชาที่สอนวิหาโรอัธโยโกปาซาโดหัมมิยังกูห่าท่านก็สอนไปอีกเมื่อมีวิหารพอจะอยู่ได้ ก็ให้เป็นที่สงัดวิหาโรพอเป็นที่สงัดจะอาศัยได้ก็อยู่อัตถโยโกไปอยู่ตามกระท่อมนาของเขาปาซาโดปราสาทที่ว่างเปล่าในสถานที่ใดที่หนึ่งห้ามมิยังไปอยู่ตามเงื้อมผาไม่ต้องอวดดีอยู่ในตึกในรามคูหาก็ไปอยู่ตามถ้าให้ไปแสวงหาการวิเวก เพื่อเป็นอัติเรกกราบเราก็ยินดีสาธุสาธุยินดีปฏิบัติตามพุทธวจนะที่อุปชาท่านสอนข้อที่สี่ปุตติมุตตะเพศจังนิสายปปัจจายาวจีวังอุตสาโหโกรณุโยเมื่อท่านไม่มีญาติมีโยไม่มีคนประวรณาไปป่าไปดงหาบ้านหายา แตรักษาร่างกายไม่ได้แล้วก็กินเยี่ยวนะนี่พูดกันง่ายๆพูดตามภาษาที่ผู้ดีหน่อยเขาก็เรียกว่าฉันยาดองด้วยน้ํามูดเนา่าน้ํามูดเน่าก็คือน้ําเยี่ยวนั่นเองแหละนี่ไม่มีอะไรเป็นยาหาไม่ได้ก็กินเยี่ยวเหมือนกับมันเป็นยาวิเศษนี่พระพุทธเจ้าทรงเทศนามาก็รับว่าสาธุสาธุ จะปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าอติเรกกลาบสมอมะขามป้อมสปิเนยใสนวะนีตังเนยข้นเตลังน้ำมันผาณิตังน้ำอ้อยมะทุน้ำผึ้งยาผงยาเม็ดยาน้ำยาดองยาต้มเหล่านี้ก็ฉันได้เป็นอติเรกกรลาบถ้าหาได้มาด้วยความสุจริตก็กินเข้าไปเถิด 4. ประการนี้เป็นชีวิตของนักบวชหนึ่งเที่ยวบินธบัทนี่เป็นชีวิตสองถือผ้าบางสกุลเป็นชีวิตสอยู่รุกขมูลตามต้นไม้ตามการเวลาเป็นชีวิตสกินน้ำเยี่ยวเป็นชีวิตนี่พระองค์ทรงสอนแต่วันบวชเมื่อบวชแล้วทีนี้สองสามวันลืมหมดตเลิดเปิดเปิงไปไหนก็ไม่ทราบ กลัวไม่ดิบกลัวไม่ดีกลัวไม่มั่งกลัวไม่มีกลัวไม่มียศไม่มีลาภพากันเพลิดเพลินรุ่มหลงไปในทางอื่นไม่ได้เหลียวแลในข้อปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสไว้ฉะนั้นศาสนามันถึงได้ยุ่งยากต่อไปนี้นะพระเจ้าพระสงฆ์ของเรานับวันแต่จะย่อยยับดับศูนย์ไปทุกที เพราะความดีที่พระองค์ทรงตรัสไว้ไม่ประพฤติปฏิบัติตามนี่เป็นชีวิตของพวกเราซึ่งเป็นนักบวชท่านก็แนะนำพร่ำสอนเป็นาศาสนากิจซึ่งพระภิกษุสามเณรบวชมาตั้งแต่ครั้งพุท ธ, ธากาลปฏิบัติกันมาอย่างนี้เมื่อคนมาบวชมากเข้ามากเข้ามดความสามารถศรัทธาย่อนท้อถอยก็ปล่อยทิ้งเมื่อปล่อยทิ้ง มาสมัยนี้เลยแสดงการเยาะเย้ยเสียดสีกระทบกระเทือนกระแทกอะไรต่างๆพระกรรมฐานถูกหาว่าโง่บ้างเอาประโยชน์ส่วนตัวบ้างไม่เหลียวแลแก่มูแก่คณะตกหลีกปรีกตัวไปอยู่ตามป่าตามดงไม่มีหลักมีแหลง่งที่แท้คนที่พูดนะ่ะมันตัวที่ผายแหละไม่มีหลักใจสักนิดนี่มันเป็นอย่างนี้ ฉะนั้นเมื่อหน้าที่ธุรกิจการมีเฉพาะหน้าของตน <c oughs> ก็จําเป็นจะต้องพากันไปจําเป็นจะต้องพากันแสวงหาทำาศาสนกิจนั้นจึงจะเป็นไปเพื่อความเจริญของตนและหมู่คณะนี่ทางปฏิบัติเป็นอย่างนี้พวกเราก็พึงทราบการไปเช่นนั้นไม่ใช่ไปทอดธุระไม่ใช่หนีไปจากหมู่จากคณะไม่ใช่เป็นผู้เอาตัวรอด เป็นผู้ปฏิบัติทรรมกิจของพระศาสนาต่างหากนี่หน้าที่ของนักบวชเป็นอย่างนี้หน้าที่อันนี้เป็นหน้าที่ของทุกคนแต่มันโกงหน้าที่เขาแต่งให้เป็นนายอำเภอมันผ่าไปทำงานของผู้ใหญ่บ้านเขาแต่งให้เป็นผู้ใหญ่บ้านมันผ่าไปเป็นข้าหลวงันถึงยุ่งพระเนนเราก็เหมือนกันพระพุทธเจ้าแต่งให้ปฏิบัติอย่างนี้ มันผ่าไปทำอย่างอื่นมันถึงเกิดเรื่องเกิดราวเกิดยุ่งเกิดเยิงวุ่นวายกันขึ้นในาศาสนาฉะนั้นพวกเราก็ควรจะทราบหน้าที่ของตนนอกนั้นก็เป็นส่วนเบ็ดเตล็ดเป็นเครื่องอุปกรณ์เป็นเครื่องอุปการะไม่ใช่ตัวจริงจังอะไรนี่เป็นกิจเบื้องต้นในการบวชต่อไปนี้จะได้นําคําสอนของพระพุทธเจ้ามาตักเตือน เือเป็นการให้พวกเราต่างผู้ต่างคนตั้งใจประพฤติปฏิบัติบำเพ็ญให้ถูกต้องตามาศาสนกิจเรียกว่าธรรมะที่แสดงมาแล้วเป็นเรื่องระเบียบของการบวชเป็นเรื่องวินัยข้อบังคับกฎเกณฑ์ในการบวชอันเป็นหน้าที่ของพระและของเนรในข้อสําคัญข้อที่สองได้แก่ธรรมะธรรมะเป็นเครื่องประดับ เป็นการสะสมบ่มอินทรีย์ของตนให้แก่กล้าซึ่งพระองค์ได้ทรงแสดงเป็นพุทธโอวาทมีมาในโอวาทปฏิโมกซึ่งเป็นหน้าที่ของสมณะนักบวชในพระศาสนาแต่เป็นข้อปฏิบัติควบคุมไปถึงญาติถึงโยมด้วยสามารถที่จะเอาข้อปฏิบัตินั้นไปฝึกขับตนของตนให้เป็นคนดีเป็นคนดีเป็นแข้งขา ปีนมือหูตาช่วยดูแลกิจการพระศาสนาต่อไปเพื่อความก้าวหน้าที่เป็นอย่างนี้คือแปลว่าเป็นแนวทางของพวกเราเป็นข้อปฏิบัติของพวกเรามีอยู่6กข้อโดยใจความย่อๆโดยหัวข้อบาลีว่าอนูปวาโดอนูปคาโตปาติโมกเกจะสร้างวโร มัตตันดุตาจะผัดตัสมิ่งปันตันจกสยนาสนังอธิติเตจะอายโยโคเอตังพุท ธ, ธานาาสนังแปลใจความว่าพวกเรานักพรตไม่ว่าพุทธบริษัทฝ่ายบ้านไม่ว่าพุทธบริษัทฝ่ายพระก็ควรจะต้องพากันอยู่ในกฎเกณฑ์ที่พระองค์ทรงตรัสเทศนี้คือข้อหอนึ่งอณูปวาโด อย่าเพ่งโทษของกันและกันคือแปลว่าอย่ากล่าวร้ายอย่าตูอย่าหาเรื่องอันเป็นไปในความแตก้าวซึ่งกันและกันสิ่งใดที่ไม่มีความจริงอย่าก่ออย่าส่งเสริมให้เกิดขึ้นอย่ากล่าวร้ายคนอื่นอย่าแช่งคนอื่นอย่าด่าคนอื่นอย่าเพ่งแต่โทษคนอื่นต่างคนต่างพากันเพ่งแต่โทษของตนเองนี่เรียกว่าอนูบวาโด เอาไปใช้สอยได้ทั่วไปเป็นสาธารณประโยชน์ให้เกิดขึ้นในฝ่ายคารวะให้เกิดขึ้นในฝ่ายสมณะอนุปคฮาโตอย่าอาฆาตกันคือตามธรรมดาคนเราอยู่รวมกันบางทีความประพฤติปฏิบัติไม่เสมอกันเป็นธรรมดาบางคนก็มีมรญาติดีบางคนก็มีมรร ญ, ญาติหยาบแต่ไม่ใช่บาปแต่เป็นมรน ญ, ญาติแค่นั้น ความประพฤติทางกายไม่เสมอภาคกันบางคนขยันบางคนแข็งแรงบางคนอ่อนแอนี่บรนญาติของกายทีนี้มัญญาติของวาจาก็เหมือนกันบางคนฉลาดพูดได้บางคนพูดไม่ค่อยจะเป็นบางคนก็พูดมากบางคนก็พูดน้อยบางคนก็พูดทางโลกบางคนก็พูดทางธรรมบางคน ก็พูดผิดบ้างบางคนก็พูดถูกบ้างนี่ความไม่เสมอภาคของกันและกันเมื่อเป็นเช่นนี้มันก็จะต้องมีการกระทบกระทั่งเสียดสีประทะกันไม่มากก็ น, น้อยเมื่อเหตุการณ์ทั้งหลายเกิดขึ้นแต่พวกเราพุทธบริษัทซึ่งอยู่ในวงขอบอันเดียวกันเช่นนี้ก็อย่าให้มีการอาฆาตซึ่งกันและกันต่างผู้ต่างคนอภัยโทษ ปดล้างความชั่วของตัวนั้นให้หมดไปเพราะเหตุใดเพราะมันจะกลายเป็นเวรเป็นกรรมคนใดก็ต่างคนให้อภัยซึ่งกันและกันเป็นอภัยญานเป็นผู้ไม่ยึดเป็นผู้ไม่ถือเป็นผู้ไม่ค้องเป็นคนไม่อาฆาตแม้จะมีความผิดพลาดบางครั้งบางคราวก็ให้อภัยซึ่งกันและกันมีความรักมีความสนิท มีดวงจิตเมตตาเสมอหน้ากันตามกําลังความสามารถนี้ชื่อว่าอนุปคาโตนี่เป็นข้อปฏิบัติของพวกพุทธบริษัททั้งฝ่ายคารวะและฝ่ายสำมานะปาติโมกเขจะสร้างวโรจงพากันปฏิบัติตนให้ใกล้ต่อปากช่องของพระนิพพานปากช่องพระนิพพานคืออะไรปารติโมกขาโม ข, ขะแปลว่าปากโมกขะ เครื่องพ้นให้ไปใกล้ๆที่เราจะได้กินง่ายๆอย่าไปนั่งไกลสําหรับกับข้าวมันกินยากเราจะต้องเข้าไปนั่งใกล้ๆใกล้ๆปากของเรานั่นแหละคือพอจะเอื้อมมือหยิบเข้าปากได้นี่ความประพฤติอันใดที่ใกล้ในทางพระพุทธศาสนาต้องประพฤติอย่างนั้นประพฤติใกล้พระศาสนานั้นคือเป็นผู้ตั้งอยู่ในพรหมจรรย์พรหมจรรย์นั้น ฆราวาสก็มีพรหมจรรย์พระก็มีพรหมจรรย์ฆราวาสถือพรหมจรรย์ได้สองแผนเช่นมีการรับศีลห้าศีลแปดปานาไม่ฆ่าสัตว์อาทินาไม่ลักทรัพย์อ布拉มาดาริยาไม่เกี่ยวข้องกับเพศหญิงเพศ ช, ชายถึงจะเป็นฆราวาสศีลห้าก็ตามแต่ไม่ล่วงนี่ท่านเรียกว่าเป็นพรหมจรรย์มุสาวาท ไม่กล่าวเท็จสุราไม่ดื่มเหล้าห้าประการเท่านี้แต่เว้นเสียซึ่งตัวอบบรหมาจาริยานี่ก็จัดว่าเป็นพรหมจรรย์เป็นผู้ใกล้ต่อหนทางที่จะไหลเข้าไปสู่พระนิพพานนี่เป็นปาติโมคะสังวระแปลว่าปฏิบัติใกล้ปากช่องของพระนิพพานนี่แผนกหนึ่งอีกแผนกหนึ่งได้แก่ พวกผู้ดำเนินตนอยู่ในศีลอุโบสถหรือศีแปดมาปฏิบัติเว้นเสียซึ่งตัวอภรมาจาริยามาตั้งตนอยู่ในสิขาบททั้งแปดอันนี้ก็ชื่อว่าเป็นผู้ใกล้ต่อพระนิพพานนี่สำหรับคารวาสส่วนพระภิกษุสามเณรก็คือเป็นผู้สังวร อ, อยู่ในศีสิบและศีสองร้อยี่สิบเจ็ดเป็นผู้ไม่ละวาง คุณงามความดีที่ควรประพฤติเรียกว่าอาจาระอนาจาระเราจะต้องอย่าเที่ยวไปในทางที่มีโทษกายก็อย่าเที่ยวไปวาจาก็อย่าสนใจดวงจิตก็อย่าให้มันไปด้วยนี่อนาจาระกายก็อย่าไปคบค้าสมาคมกับคนที่ไม่มีศีลธรรมมีนิสัยใจคอหยาบวาจาก็อย่าไปเกี่ยวข้องสนทนาหารือ กับคนที่ชั่วผู้ทุศีลดวงจิตก็อย่าไปกังวลเกี่ยวขอ้องจะต้องระลึกไปถึงแต่คนที่ดิบคนที่ดีและความดีของตนที่สร้างขึ้นนี่เรียกว่าอนาจาระที่ท่านเรียกว่าพรหมจันทร์เมื่อใครประพฤติปฏิบัติตนอยู่ได้โดยอาการเช่นนี้ชื่อว่าฟาติโมคาสังวระเป็นผู้สังวรใกล้ต่อพระนิพพาน มัตตันยุตาจะผัดตันธมิ่งเป็นคนรู้จักบริโภคพัตตาหารแต่พอสมควรมีกฎเกณฑ์อยู่สามกระทงในที่นี้จะจำแนกแต่อาหารของกายการบริโภคของคนนั้นมีอยู่สามชนิดบริโภคด้วยความโลภคือท้องมันเต็มแต่ใจไม่เต็มปากมันก็เต็มกลืนไม่ลงท้องมันก็เต็มแน่นแต่ใจมันจะกินอีก นี่เขาเรียกว่าโลภะนี่ตัวหนึ่งอย่าให้มันเกิดขึ้นในหลวงจิตตัวที่สองสันโดษเรียกว่ายินดีแต่ของที่มีอยู่ในบาทนอกจากบาทไม่กินหรือยินดีอยู่แต่ในภาชนะที่ใกล้ๆเราใกล้หัตถบาทนอกหัตถบาทไม่กินไม่เรียกเอาจากใครด้วยมัน ญ, ญาติกายวิญยต์ยกมือขอจากเขาไม่เอา ไม่แสดงความอยากทางกายให้ปรากฏขึ้นกายกรรมไม่แสดงมัน ญ, ญาติทางมือไม่แสดงมัน ญ, ญาติท่าทีทางตาทางหูแล่หน้าแลหลังต้องการอาหารมากินเมื่อมีอยู่แค่ภาชนะของเรากินแค่นั้นเมื่อมีแค่ในบาทกินแค่ในบาทนี่เรียกว่าสันโดษนี้ข้อหนึ่งข้อที่สามนั้นเรียกว่าอภาิชาตาเป็นคนมากน้อย คนมากน้อยนี่ดีมากในทางศาสนาเราก็ดีมากในทางโลกก็ดีมากตัวยอย่างเช่นพระชิมพลีพระชิมพลีเป็นคนมากน้อยมากน้อยยังไงคือคนถือว่าพระชิมพลีเป็นคนมีลาบคนมีลาบมันจากไหนมันมาจากคนมากน้อยคนมากน้อยเป็นต้นเหตุให้เกิดลาบคือพระชิมพลีนั้น ท่านทำอย่างนี้เมื่อท่านได้ผ้ามาถ้าท่านไม่ได้ทำฐานผ้าท่านไม่นุ่งเด็ดขาดเมื่อท่านได้อาหารมาในบาทถ้าไม่ได้ทำบุญท่านไม่กินเด็ดขาดได้สินใดมาในปัจจัยทั้งสี่อาหารบ้างผ้าบ้างเสนาสนะเครื่องใช้สอยบ้างทิลานาเภสัตบ้างเมื่อเกิดขึ้นแก่พระชิมพพลเมื่อได้อยู่ในอานาจของท่านนั้น มากก็ตามน้อยก็ตามยังไม่ได้ทำทานแจกจ่ายเจือจานแต่หมูนะ่คณะเป็นไม่กินไม่ใช้เป็นอันขาดนี่เมื่อท่านได้มามากก็ให้เป็นประโยชน์มากเมื่อท่านได้มาน้อยก็ให้เป็นประโยชน์ให้เกิดความดีดความดีหลายด้านเพื่อนรักหมูรักเพื่อนมีความสงสารนี่จึงเรียกว่าการบริจาคนั้นเป็นการผูกมิตรเป็นการปราบศัตรู หลักต่อมิให้กาเริมเกิดขึ้นนี่พระชิมพลีท่านปฏิบัติตัวอย่างนี้เมื่อท่านแตกดับทําลายลงไปจากโลกขันครั้งก่อนว่บาบังเกิดขึ้นกลายเป็นคนลาบมากไม่อดไม่อยากไปอยู่ในสถานที่ใดที่น่าจะอดน่าจะอยากก็ไม่อดไม่อยากลาบรวยมั่งมีสีสุขจนแค่กระดูกก็เป็นของดียังมีเรื่องในบาลีเรื่องหนึ่ง มีมาในพระไตรปิฎกมีพระภิกษุสามสิบองค์ตั้งแต่ชาติก่อนเป็นคนขี้เหนียวเป็นคนขี้ตรณีได้มาก็กินโมกบมับมับไม่มองดูเพื่อนไม่มองดูหมู่คณะทั้งกินทั้งสุปทั้งซ้อนต่อจากนั้นมาก็พากันเกิดมาในชาตินี้มาบวชทั้งสามสิบองค์ไปเดินบิณฑบาตก็ไม่ค่อยมีใครเขาจะใส่ หาอาหารกินก็ยากลำํำบากต่อมาก็ได้ทราบข่าวว่าพระชิมพลีเป็นคนไม่อดไม่อยากลาบมากเมื่อได้ทราบเช่นนั้นก็จะไปอาศัยท่านพอดีพระชิมพลีก็ตายเมื่อตายทํำยังไงพระชิมพลีนี้เป็นคนดีมีเมตตามีคนรักมีลาบมากอยากกระนั้นเลยเราไปขอพระาธาตุเถิด ตางพากันสัญจรไปเอากระดูกพระชิมพลีเหล่านั้นมาคนละก้อนละก้อนมาเจาะใส่หัวกรดฝังลงไปเดินทุดงมันเลยรวยใหญ่เลยทีนี้ไม่อดไม่อยากไม่ทุกข์ไม่ยากเรียกว่าพระชิมพลีบีลาบมากในทางพระศาสนาได้ประโยชน์มากคือหมายความว่าเราได้มาน้อยได้สามส่วนเรากินเสียส่วนเดียวเท่านั้นอีกสองส่วน แจกเพื่อนให้ทานควรให้สัตว์ก็ให้ควรให้คนก็ให้ควรสงเคราะห์เพื่อนพมจันทร์ก็ให้บริจาคด้วยน้ำใสใจจริงนี่เรียกว่าเป็นคนมากน้อยสบายใจสบายกายตายแล้วเป็นคนไม่อดไม่อยากนี่ในทางศาสนาเราก็ดีมากในทางโลกแบบสากลทุกวันนี้ก็เหมือนกันสามารถจะปลอบประรายลัทธิคอมมินิสต์ ได้เป็นอย่างดีปราบได้ยังไงคนเรานั้นน่ะมันไม่จนแล้วก็มันก็ไม่กำเริบหรอกเดี๋ยวนี้คอมมิวนิสต์มันเกิดจากไหนมันเกิดจากความไม่มีอยู่ไม่มีกินไม่มีใครช่วยดูเหลยวแลมันทุกข์มันยากมันลำบากไหนๆกูเป็นทุกข์ก็ให้มันทุกข์เหมือนกันเสียให้หมดอย่าให้มีทรัพย์สินเงินทองให้เป็นของกลางเสียทั้งหมด มันเกิดจากความอัตคัดขาดแคลนยากจนทําไมมันถึงยากจนกินคนเดียวไม่แจกจ่ายเยื่อจานชาวบ้านทั่วไปเขาก็ได้รับความทุกข์ความคับแขนใจเกิดขึ้นก็เลยกลายเป็นคอมมิวนิสต์นี่มันเกิดจากความโลภมากกินแต่ตัวไม่แจกเพื่อนเมื่อเรามีอยู่สิบบาทให้เขาเสียเก้าบาทกินมันบาทเดียวเพื่อนมากมีความรักมีความสนิท มีความสมบูรณ์พูนสุขมันจะเกิดขึ้นมาได้ยังไงคนมั่งมีมีอยู่มีกินมีหลับมีนอนกินก็อิ่มนอนก็หลับมันจะไปคิดทำไมการบ้านการเมืองนะ่ะมันลำบากจะตายไปนี่พระพุทธเจ้าจึงได้ทรงสอนความมากน้อยเป็นของดีของประเสริฐเลิศยิ่งเมื่อใครประพฤติปฏิบัติบาเพ็ญให้เป็นไปด้วยอาการอย่างนี้ จึงจะถูกตามพระบาลีว่ามาตัญยุตาจะพัติ่งเป็นผู้ปฏิบัติดีเป็นคนปฏิบัติชอบประกอบให้สําเร็จประโยชน์ตนและท่านปันตันจักรยนาสนังอย่าเป็นคนยุ่งอยู่ที่ไหนก็พากันเป็นคนเงียบสงัดอย่าเป็นคนคลุกปลีตีโมงด้วยหมู่ด้วยคณะออกความยุ่งยากกาเริบให้เกิดขึ้น เว้นแต่เหตุที่มันเหนือนอกเจตนามันไม่ทราบไม่รู้เรื่องมันเป็นขึ้นเองก็เป็นเรื่องเหนือวิสัยอยู่เมื่อมีความรู้มีความเข้าใจไม่เหลือวิสัยก็จะได้พากันสับสร้างให้มันเกิดขึ้นคือให้เป็นผู้แสวงหาตั้งแต่ที่นั่งอันสงัดที่นอนอันสงัดที่ยืนอันสงัดที่เดินอันสงัดอยู่ในสังคมอันสงัด อยู่ด้วยตนเองคนเดียวก็ให้เป็นคนวิเวกเป็นกายยวิเวกอยู่ในคณะก็ให้เป็นวิเวกอยู่ในหมู่ก็ให้ประกอบด้วยความวิเวกอยู่ในสมาคมก็ให้ประกอบด้วยความวิเวกเลือกเอาแต่ส่วนที่ดีที่ชอบประกอบไปในทางสงบอยู่คนเดียวก็เป็นคนไม่ยุ่งกายก็สงบวาจาก็สงบใจก็สงบนี่เรียกว่า เป็นผู้มีที่นั่งอันสงดเป็นผู้มีที่นอนอันสงัดที่ยืนที่เดินสงัดอยู่ในคณะคือสองคนกับเพื่อนก็ไม่ทะเลาะวิวาดกันการทะเลาะวิวาดกันไม่สงัดกายก็ไม่สงัดต้องลุกต้องเดินต้องเหินวาจาก็ไม่สงัดทุ่มเถียงกันใจก็ไม่สงดโกรธแค้นกันพยาบาทกันเป็นโทษ เป็นบาปเป็นกรรมทําลายความสงัดไม่ถูกต้องตามาศาสนธรรมคําสอนของท่านอยู่ในหมู่หมู่คือนับตั้งแต่สี่คนขึ้นไปถึงเก้าสิบเก้าคนนี่เป็นหมู่อยู่ในหมู่นั้นเราก็จะต้องเป็นหมู่ที่สงัดไม่มีการแย่งไม่มีการทะเลาะวิวาทบาดหมางทําลายล้างพรานซึ่งกันและกันอยู่เป็นหมู่คณะเป็นสังคม อบรมศิลธรรมเป็นไปด้วยความสงบระงับเรียบร้อยนี่เรียกว่าหมู่ดีคณะดีสังคมดีมีระเบียบมีขนบธรรมเนียมยังความเจริญให้เกิดขึ้นในหมู่ในคณะนี่เป็นาศาสนาคิจเป็นธรรมะข้อปฏิบัติสำหรับพวกเราพุทธบริษัทเรียกว่าปันตันจักรยตนาสนังเป็นผู้มีที่อยู่อันสงัด สบายกายสบายจิตอธิจิตเตจะอายโยโกโเป็นผู้ไม่ประมาทเป็นคนขวนขวายพยายามบำเพ็ญสมาธิเป็นอธิจิตมันทำสมาธิให้เกิดขึ้นมันนั่งสมาธิให้แบบแก่บุคคลอื่นที่มาเห็นมันปรารบในเรื่องสมาธิสนทนาหารือกันในเรื่องกรรมฐานเรียกว่าทำมิกราพนานา อนิสงค์ของกรรมฐานเรียกว่าธทำมิกราราพรรน า, นาอานิสงค์ของกรรมฐานให้เกิดขึ้นบำเพ็ญประพฤติปฏิบัติบำเพ็ญประพฤติปฏิบัติกำจัดนิวรณธรรมให้ดับไปจากจิตอันนี้ท่านเรียกว่าเป็นผู้ตั้งอยู่ในโอวาทข้อหนึ่งซึ่งเรียกว่าอธิจิตอีกอันหนึ่งที่เรียกว่าอธิจิตนั้นคือจิตปราศจากนิวรณ ดวงจิตเป็นสมาธิจิตไม่มีอาการขึ้นจิตไม่มีอาการลงจิตแน่นจิตแข็งจิตกล้าหาญจิตไม่มีความเศร้าหมองอันนี้ท่านเรียกว่าอธิจิตเตจะอายโยโกจงเป็นผู้ไม่ประมาทประกอบอยู่เนืองเนืองเอตังพุทธานาาสนางนี้แหละชื่อว่าเป็นผู้ตั้งอยู่ในคำสอนของเราตถาคตนี่พระองค์ได้ทรงสแสดง เป็นพุทธพจน์ด้วยพระโอษของพระองค์เองฉะนั้นพวกเราก็ควรจะต้องพากันประพฤติปฏิบัติบำเพ็ญให้เกิดมีขึ้นในตนบุคคลใดที่ตั้งอยู่ในโอวาททั้งหประการนี้โดยความซื่อสัตย์สุจริตถ้าไม่สามารถจะทำจิตของตนให้พ้นไปจากทุกข์ก็ยังเป็นการบ่มนิสัยใจคอให้น้อมไปในทางที่ชอบประกอบให้เกิดมีขึ้นในตัว ความชั่วก็นับวันแต่จะสาบสูญบุญไม่เคยเกิดก็จะเกิดบุญที่เกิดแล้วก็มีแต่จะเจริญงอกงามฉะนั้นเมื่อสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายได้พากันตั้งใจสดะดนี้ก็ควรจะน้อมไปฝึกหัดประพฤติปฏบิบัติบำเพ็ญ ต, ต, ต, ต, ตนของตนให้เป็นไปตามศาสนาโอวาทต่อจากนั้นพวกเราท่านทั้งหลาย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 ธรรมเทศนาของพระสุทธิธรรมรังสีคำพีระเมธาจารย์ท่านพ่อหลีธรรมธโ ร, รวัดอโศการามเรื่องมหาบริจาค้า ได้แสดงพระธรรมเทตนาที่มีมาในพระสูตรเกี่ยวด้วยมหาชาติชาดกซึ่งเป็นบา ร, รมีธรรมส่วนหนึ่งของพระโพธิสัตว์อันเป็นเหตุให้สําเร็จพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณพระองค์ทรงได้บําเพนประโยชน์ให้สําเร็จเป็นไปแก่มนุษย์พุทธบริษัทธทั้งหลายสามประการประโยชน์ชาตินี้มีผลอันจะพึงได้รับคือ ปัจจุบันประโยชน์ชาติหน้าเมื่อได้บำเพ็ญไว้แล้วในชาตินี้บุญกุศลส่วนนั้นย่อมอำนวยผลในชาติหน้าคือสุขติสวรรค์เป็นต้นประโยชน์อย่างยิ่งอันจะพึงเกิดขึ้นคือพระนิพพานอันปรมสุขอย่างเลิศไม่มีสุขอันใดยิ่งกว่าเรียกว่านิรามิตสุขพระพุทธองค์ทรงเทศนา ให้สงฆ์สาวกทั้งหลายได้บรรลุสำเร็จประโยชน์อันยิ่งใหญ่คือมรรคผลนิพพานเหตุทั้งหลายที่มีมาในมหาชาติชาดกบทนี้มีข้อความที่จะพึงบําเพ็ญให้เกิดขึ้นในตนนั้นมีอยู่ห้าประการดังจะได้บรรยายไปในการระบัดนี้ธนะปริจจาโคพระองค์ได้ทรงสละทรัพย์ทั้งหลาย มีแก้วแหวนเงินทองรัสนะทั้งปวงอันเป็นส่วนอวิญญาณกะทรัพย์และวิญญาณกะทรัพย์คือช้างแก้วม้าแก้วเหล่านี้ได้เสียสละโดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆจากผู้รับจึงเรียกได้ว่ามหาบริจาคพระองค์ได้ทรงพริจารณาแล้วว่าการเสียสละได้เช่นนั้นเป็นการที่ยกก้อนหินออกจากพระอุระคือ หัวอกเป็นเหตุให้พระองค์ทรงเบาพระหฤทยัยน้อมใจเป็นไปเพื่อความสงัดปฏิบัติตนอยู่ในป่าเป็นฤาษีในเขาคีรีวงกตในสมัยเป็นพระเวสสันดรโน้นอังคะปริจาโคพระองค์ทรงเสียสละอวัยวะบางส่วนให้เป็นทานเช่นสละเลือดเนื้อในกายของพระองค์ให้เป็นประโยชน์แก่บุคคล และสัตว์อื่นๆบางจำพวกโดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆในบุคคลที่ได้สงเคราะห์ไปแล้วนั้นในสมัยนี้ก็เทียบได้อย่างหนึ่งคือบางคนได้เสียสละเลือดของตนให้เป็นประโยชน์แก่บุคคลอื่นในคราวที่ป่วยในการบำเพ็ญเช่นนั้นก็เรียกได้ว่าอังคะบริจาคได้ชนิดหนึ่งในส่วนของร่างกายชีวิตปริจาโค บางคราวบางสมัยมีเหตุการณ์อันตรายบังเกิดขึ้นแก่เพื่อนมนุษย์ทั้งหลายจนตลอดสัตด ร, ราชานพระองค์ยอมเสียสละชีวิตความเป็นอยู่ของตนเพื่อให้สำเร็จประโยชน์สันติสุขแก่บุคคลอื่นๆในสมัยนี้เช่นบางท่านซึ่งทำประโยชน์ให้แก่ชาติยอมเสียสละความเป็นอยู่ของตนโดยไม่เห็นประโยชน์ส่วนตัวเป็นใหญ่ สละกำลังกายกำลังทรัพย์กำลังความคิดบำเพ็ญดวงจิตของตนให้ตั้งอยู่ในวัฒนธรรมอันจะพึงมีแก่ชาติส่วนศาสนาพระองค์ก็ได้ยอมเสียสละตนบำเพ็ญพรตพรหมจันทร์ไม่เห็นแก่ลาบยศสักการะบูชาใดๆตั้งใจปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามแนวทางถึงแม้ชีวิตจะแตกดับไปในเหตุการณ์นั้นๆพระองค์ ก็ทรงยอมเสียสละไม่หวังผลตอบแทนในการทำเช่นนั้นคือไม่เห็นแก่ตัวพระองค์ทรงเห็นว่าชีวิตความเป็นอยู่ถ้าเป็นประโยชน์ได้แก่พวงชนแล้วถึงแม้จะล้มหายตายสูญพระองค์ก็ไม่อะไรในชีวิตจึงเรียกได้ว่ามหาบริจาคเพราะเหตุอันนี้จึงมีอนิสงส์ที่พระองค์ทรงได้รับการยกย่องบูชาของมนุษย์ พุทธบริษัทเป็นบุคคลที่ควรแก่การสักการะเคารพบูชาตลอดมาจนทุกวันนี้ปุตตะปริจจาโคพระองค์ทรงยอมเสียสละลูกที่รักในหัวอกทั้งสองให้เป็นทานคือกันหาชาลีเหตุอันนี้แหละพระองค์จึงได้เป็นที่รักเคารพพุทธบริษัททั้งหลายยอมเสียสละตนเป็นทาตหรือสากยบุตร มนุษย์และเทพยดาย่อมเคารพบูชาอยู่ตลอดกาลเพราะการกระทำของพระองค์นั้นไม่หวังผลตอบแทนใดๆจึงจัดว่าเป็นมหาบริจาคภริยะบริจาโคบางคราวพระองค์ได้ทรงเสียสละภริยาของตนอันเป็นที่รักให้เป็นทานไม่หมายมั่นผลตอบแทนใดๆทั้งหมดมุ่งต่อพระโพธิญาณเป็นจุดหมายปลายทางเพียงเท่านั้น มหาบริจาคทั้งห้าประการนี้พระองค์ได้ทรงบำเพ็ญมาแล้วด้วยดีซึ่งมีมาในเวสันดรชาดกยกขึ้นเป็นบุคคลาธิษฐานส่วนพวกเราพุทธบริษัททั้งหลายผู้หวังต่อสวรรค์และนิพพานก็ควรจะเดินตามแนวทางของท่านพวกเราพุทธบริษัทซึ่งตั้งอยู่ในสาวกะภูมิก็สมควรที่จะบำเพ็ญมหาบริจาค อันเป็นส่วนธรรมมาทิฏฐานดังจะได้บรรยายไปในการละบัตินี้ซึ่งมีอยู่ห้าประการธนปริจาโคให้เสียสละทรัพย์ของตนที่เป็นโลกิยศทรัพย์ทั้งหลายฝากไว้ในธนาคารของพุทธศาสนาเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาโดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆทั้งหมดให้เห็นว่าเป็นการฆ่ากิเลสของตนเอง แก้ห่วงที่ผูกอยู่คืออุปาทานเป็นเครื่องฆ่ามัชชริยะความตรณีเหนียวแน่นอยู่ในใจเสียได้ก็จัดว่าเป็นมหาบริจาคได้ประการหนึ่งอังคบริจาโคให้เสียสละความสุขบางส่วนอันจะพึงได้รับในตนเองเช่นเราควรจะกินได้สามเวลาเราก็เสียสละมาบำเพ็ญศีลแปดหรือธุดงคขวัต ตัดความสุขที่เนื่องด้วยกายของตนบางส่วนกินมากสละให้น้อยนอนมากเสียสละการนอนนั้นเสียบ้างความสุขอันจะเกิดขึ้นจากการดื่มการบริโภคบำรุงกายเมื่อยอมเสียสละได้ไม่เพลิดเพลินอยู่ในกามาคุณทั้งห้ามาบำเพ็ญตนให้เป็นบุญเป็นกุศลเกิดขึ้นก็ได้ชื่อว่าอังคบริจาค คือสละรูปออกจากตาสละเสียงออกจากหูสละกลิ่นออกจากจมูกสละรสออกจากลิ้นสละสัมผัสออกจากกายและสละธรร ม, มารมณ์ทั้งหลายที่เป็นบาปให้ห่างไกลชีวิตปริจาโคให้เสียสละความเป็นอยู่ของตนเพื่อให้เป็นประโยชน์สุขแก่บุคคลอื่นอันตรายอันใดอันจะเกิดขึ้น ก็สร้างความเข้มแข็งต่อสู้เสียสละความเป็นอยู่ของตนในทางโลกและทางธรรมอีกอันหนึ่งชีวิตคือความเป็นอยู่อันยืดยาวที่จะเป็นไปในข้างหน้านั้นได้แก่ความเป็นอยู่ของดวงจิตเมื่อจิตตกไปในฝ่ายชั่วความเป็นอยู่ของตนก็จะลำบากทรมานใจเช่นความโกรธเกิดขึ้นจิตเราก็เป็นอยู่ด้วยความโกรธ ความโลภเกิดขึ้นจิตเราย่อมเป็นอยู่ในความโลภบางคราวจิตประมาทหลงไหลดวงจิตก็เป็นอยู่ด้วยความลุ่มหลงชีวิตความเป็นอยู่ของร่างกายนั้นอย่างหนึ่งชีวิตความเป็นอยู่ของดวงจิตนั้นอย่างหนึ่งสิ่งใดเป็นไปในฝ่ายชั่วที่เนื่องด้วยความเป็นอยู่ของตนก็สมควรที่จะเสียสละเพื่อทำชีวิต ความเป็นอยู่ของตนให้ปลอดภัยไม่อาัยความเป็นอยู่ที่ลุ่มหลงนั้นเสียได้มิฉะนั้นก็จะทำตนให้เป็นคนรกโล ก, โลกเป็นเซียนน้าหลักต่อเกิดขึ้นในวงของชาติและพระศาสนาได้ประการหนึ่งปุตตะปริจจาโคให้เสียสละบุตรของตนอันเป็นที่รักอันเป็นส่วนในทางทร ม, มาทิฏฐานกันหั่งทรมัง วิปปาหายะให้สละกันนะหะธรรมอันเป็นลูกที่รักของเราคนหนึ่งคือโลภโะความโลภไม่รู้จักพออิ่มไม่เป็นกินหลายไม่หายอยากโกทะความโกรธไม่รู้จักหยุดโกรธแล้วโกรธเล่าเป็นหนทางที่จะเข้าไปสู่อาบายโมโหโมหาความหลงความมืดมิดปิดบังทั้งหลายเหล่านี้ชื่อว่า กันนหาหะธรรมชาลีปริชาโคให้เสียสละชาละธรรมอันเป็นเครื่องกีดกันกั้นจิตเหมือนกับขายเครื่องดักปลาในมหาสมุทรฉะนั้นความหมายในข้อนี้ได้แก่นิวรณธรรมอันเป็นเครื่องกั้นดวงจิตมิให้บรรลุคุณงามความดีคื้หน้านิวรณธรรมนั้นมีอยู่ห้าประการหนึ่งการมฉันทะ ความรักใคร่ในพัสดุกรรมและกิเลสกรรมเมื่อดวงจิตของบุคคลผู้ใดตกไปในธรรมข้อนั้นก็เสมอเหมือนกับปลาที่ติดขายของนายพราน 2. พยาปาทะความพยาบาทมุ่งร้ายอิจฉาหาหนทางก่อความเสียหายให้เกิดขึ้นแก่พวงชนก่อผลที่ร้ายให้ตนและคนอื่นให้ได้รับความทุกข์เดือดร้อน โดยประการต่างๆสามถีณามิทะความท้อแท้ง่วงโงกซบเซาเบื่อหน่ายคลายวิริยะคือความเพียรที่จะบากบัน่นบุกไปให้บรรลุคุณงามความดีในข้างหน้าสี่อุดทัก จ, จักกุกกุด จ, จักความฟุ้งซ่านรำคาญใจเตือนตนเองไม่ได้ยังสติไม่อยู่ปล่อยใจของตนให้ฟุ้งซ่าน ไม่มีชานเป็นเครื่องอยู่ย่อมมืดมัวเหมือนเมฆหมอกปกปิดพระอาทิตย์และดวงดาวให้มืดมนย่อมเป็นอกุศลอย่างหนึ่งในทางใจหวิจิกิจชา้าความสงสัยหลังเลไม่แน่ชัดปฏิบัติตนให้ลุ่มหลงเป็นเหตุให้เข้าใจผิดย่อมทำดวงจิตของตนให้ขุ่นมัวจะถอยหลังก็ไม่กล้าจะก้าวหน้าก็ไม่ไปคิดสงสัย ย่อมตัดความเจริญของตนได้คางหนึ่งทั้งห้าประการนี้เป็นชาลธรรมคือข่เครื่องกีกัน้นและดักไว้ซึ่งสัตว์ทั้งหลายในโลกฉะนั้นจะเป็นสิ่งควรเสียสละที่เรียกว่าชาลีดานังคันห้าดานังสละไปไม่ต้องอาัยอาวอนในอกุศลธรรมเหล่านั้นผู้จะบำเพ็ญได้เช่นนั้นต้องทาตนให้ตั้งอยู่ในสัมมาสมาธิ ประกอบองฌานให้เกิดขึ้นในตนวิตกยกอารมณ์ขึ้นสู่ดวงจิตให้เป็นอารมณ์หนึ่งวิจาร์พิจารณาอารมณ์นั้นตั้งขึ้นโดยนิมิตและปฏิภาคกระทรม่มไตรตรองพินิจพิจารณาในอารมณ์นั้นๆรู้เหตุคือการกระทํามรู้ผลอันเกิดขึ้นจากการกระทํามได้แก่ตัวสัมปชัญญะความรู้รอบคอบและสมบูรณ์ต่อจากนั้น ก็จะเห็นผลปรากฏขึ้นในใจของตัวคือปิติกายอิ่มกายเบากายสงบจิตสงบจิตวิเวกหมดจากนิวรณ์ย่อมเกิดความสุขในทางใจดวงจิตนั้นย่อมไม่สายไปตามสัญญาอารมณ์อันเป็นกระแสนํามาซึ่งกองกิเลสให้ตัดสัญญาอาดีตที่ล่วงไปแล้วทั้งหมดให้ตัดสัญญาอนาคตที่ยังไม่มาถึงทั้งปวง ถ้าปล่อยจิตไปหลงอารมณ์ข้างหน้าสัญญาอนาคตมันจะต้องติดตัวถอยหลังไปหลงอารมณ์สัญญาอาดีตที่ล่วงไปแล้วมันก็จะไปติดบ่วงเครื่องผูกพันคือสังโยชน์ให้ตั้งสติกำหนดอยู่ในธรรมปัจจุบันจิตตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์เดียวจนกว่าจะได้บรรลุทุติยฌานต่อไปตั้งใ จ, จเจริญสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐาน ทำจิตสันดานของตนให้ห่างไกลจากนิวรณ์ความมืดดังนี้ภริยาภริจาโคให้เสียสละภริยาอันเป็นที่รักของตนภริยาในที่นี้กล่าวกันโดยทาแล้วมีสามชนิดภริยาคนที่หนึ่งชื่อชีวิตมัดสีเป็นผู้เมาอยู่ในชีวิตของตนความเป็นอยู่ของประชาชนในโลกนี้มีอยู่แปดประการ ทำแปดประการนั้นแบ่งออกเป็นสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งเปรียบเหมือนกับบุตรอันเป็นที่รักและชอบใจอีกฝ่ายหนึ่งเปรียบเหมือนกับบุตรที่ชั่วต่ำอันเป็นที่ไม่พึงปรารถนาซึ่งแตกออกมาจากนางมัตสีฝ่ายหนึ่งกล่าวคือนายยศนายลาบนายสันเสริญนายสุขสี่คนนี้ย่อมเป็นที่พึงปรารถนาแห่งตนคือการหลงอยู่ในลาบ ยศสรนเสริญสุขอันเป็นเชือกผูกคอตนไว้ได้เป็นอย่างดีอีกฝ่ายหนึ่งเป็นส่วนที่ไม่พึงปรารถนาคือนายขี้ทุกข์นายที่นินทานายเสื่อมลาบนายเสื่อมยศทั้งสี่คนนี้เป็นบุคคลประพฤติตัวไม่ดีไม่เป็นที่พอใจทําความเป็นอยู่ของตนให้ยุ่งยากได้ประการหนึ่งภริยาคนที่สองไวยมัตสี คือมือนเมาลุ่มหลงอยู่ในวัยเรียกว่านางไวยยาซึ่งมีบุตรของเขาอันเป็นที่รักอยู่สามคนคือความเมาอยู่ในวัยทั้งสามบุตรคนที่หนึ่งคือปฐมไวยเมื่อเป็นเด็กยังเด่กก็เมาอยู่ในความเป็นอยู่ของตนไม่ศึกษาอบรมฝึกฝนหาวิชาความรู้ในทางโลกและทางธรรมบุตรคนที่สองคือมัติมะไวย เมื่อตนผ่านพ้นมาแล้วในวัยเด็กบรรลุนิติภาวะมาเป็นหนุ่มและเป็นสาวก็มัวเมาอยู่โดยอาการต่างๆเมารูปความสวยงามแต่งตาทาแก้มยิ้มแยม้มหลอกลวงกันเมาเสียงอันไพเราะเสนอโสดเมากลิ่นเครื่องสำอางเป็นเหตุให้เกิดความฟุ่มเฟือยเมารสหลงลิ้นกินแล้วอยากกินอีกที่ท่านเรียกว่ากินหลายไม่หายอยาก นอนมากไม่รู้จักตื่นรักคนอื่นยอมเสียตัวสิ่งที่ควรกลัวกับกล้าพาให้เสียทรัพย์และชื่อเสียงบุตรคนที่สามคือปัดฉิมวัยผ่านไปเป็นคนแก่ชาราภาพเมื่อแก่เข้าแล้วก็เมาอยู่ในความแก่ของตนความแก่ในที่นี้คือทุกพลภาพของร่างกายตามืดหูตึงหลังขดแก้มตอบ เดินสามขาจะประกอบกิจการอันใดก็ลำบากอ้างภาวะของตนมากีดกันก้นการเสียจะบำเพ็ญความดีทางโลกก็ไม่ได้จะอาศัยความดีทางธรรมก็ขัดข้องคือเห็นว่าตัวเป็นคนแก่แล้วย่อมเมาอยู่หลงอยู่ในภาวะของตนภริยาคนที่สามอโลคยะมัตสีเมาอยู่ในความไม่มีโรค เมื่อตนมีความสุขกายสบายใจอยู่ด้วยอามิตรก็ติดเมาเข้าใจว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นของตนค้นขวยหาแต่สิ่งที่ไม่เป็นสาระแก่นสารตนมีความสุขกายไม่มีโรคก็เมาอยู่ในกายไม่นึกถึงความเกิดแก่เก็บตายที่จะผ่านมาในข้างหน้ามีความสุขใจสบายจิตบางคราว ก็หลงอยู่ในอารมณ์นั้นๆแสวงหาความสุขแต่อารมณ์ที่ชอบดีชั่วผิดถูกมิได้คำหนึ่งนึกถึงตนไม่ขนขคว้แสวงหาความดีอย่างอื่นในทางธรรมจึงจัดว่าเป็นผู้เมาอยู่ในอารคยะมัตสีภริยาทั้งสามคนนี้ย่อมก่อความยุ่งยากและวุ่นวายให้เกิดขึ้นฉะนั้นเป็นสิ่งที่ควรเสียสละบริจาคไปเสีย จึงได้นามว่าภริยปริจาโคช้างแก้วคือหัตถีรัตนปริจาโคให้บริจาคช้างแก้วพระที่นั่งของเราเสียคืออวิชชาความไม่เข้าใจรู้แจ้งในตนไม่รู้ความจริงก็สำคัญว่าตนรู้จริงคุยโมโอหังนั้นก็คือช้างอวดงาจิตฟุ้งซ่านพูดมากปากเปิดมองเห็นเหงือ ลักษณะอย่างนี้คือพูดดีแต่ความประพฤติต่ำทำให้คนอื่นแลลเห็นปมด้อยแห่งตนคือไม่รู้แจ้งในอดีต ท, ที่เรียกว่าปุบบันเปยอนยานังไม่รู้แจ้งในอนาคตที่เรียกว่าปรันเตยอนยานังไม่รู้แจ้งในปัจจุบันที่เรียกว่ามัตเชอนยานังลักษณะอย่างนี้ชื่อว่าอาวิชชาหัตถีรตานัง เป็นเครื่องทรงของคนหลงในโลกฉะนั้นเมื่อพวกเราทั้งหลายได้ทำการมหาบริจาคดังกล่าวมาก็จะให้สําเร็จประโยชน์ใหญ่คือพระนิพพานให้ทำเป็นทานมีอนิสงส์อย่างเลิศสับะดางธรรมดางจินาติให้ทำเป็นทานย่อมชนะเสียซึ่งทานทั้งปวงเรียกได้ว่าทานะประมัตถาา์ปรมีเป็นความดี ส่วนหนึ่งที่จะพึงเกิดขึ้นจากจริยาวัดทั้งหลายได้แก่การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์แก่ตนของตนเองที่เรียกว่าอัตตัถจาริยาเป็นเครื่องจักรเครื่องยนต์จะได้ส่งผลให้ถึงพระนิพพานธรรมอันประเสริฐยาตัตจจริยาจะได้พากันทาประโยชน์ใหเกิดแกบุพการีบุคคลมีบิดามารดาครูบาอาจารย์ วงสาคนาญาติทั้งปวงจะได้ถ่ายนี่หมดศิลสินส้นชาติมรณาโลกัตะจริยาเราเกิดมาในโลกนี้ความดีอันใดที่มีแล้วในตนควรแจกจ่ายเจือจานให้สำเร็จประโยชน์แก่มนุษย์พุทธบริษัททั้งปวงในโลกที่กวรได้ควรถึงเรื่องอันใดอันเป็นหนทางก่อความเจริญให้เกิดขึ้นในโอกาสสโลกท้องถิ่นของตน ถ้าเรามีหนทางใดๆที่จะให้เจริญได้โดยถูกต้องตามศีลธรรมก็ควรประกอบให้เกิดขึ้นในสถานที่นั้นๆมนุษย์สโลเกมนุษย์ทั้งหลายที่มีวิญญาณครองอยู่ในโลกคนจำพวกใดที่เห็นว่าเราควรสงเคราะห์เขาได้โดยธรรมก็ไม่ควรอยู่นิ่งดูได้ช่วยทางกายไม่ได้ก็สละทรัพย์แทนตน ตั้งจิตเมตตาปรารถนาดีแก่คนทั้งหลายทั้งปวงคนต่ำอย่าเหยียบย่ำให้จมดินได้แก่การดูถูกกันคนสูงอย่าฉุดลงมาในเบื้องต่ำคืออิจฉาริษยากลัวเขาดีกว่าตัวควรทำใจของตนให้ตั้งอยู่ในพรหมวิหารเราควรสงสารเมตตาคนเบื้องสูงมีบิดามารดาพระราชาเป็นต้นที่เรียกว่าเมตตาบารมี เราควรสงสารปรารถนาดีแก่เพื่อนมิตรสหายควรช่วยเหลือทางกายวาจาใจเป็นต้นที่เรียกว่าเมตตาอุปปารมีเราควรแผ่ไมตรีจิตทำความชนิดสนมเสมอเหมือนบุตรที่รักในอกในคนและสัตว์เบื้องต่ำที่เป็นศัตรูให้เรามีจิตเมตตาภาวนาอุทิศกุศลแผ่ให้ตามควรเมื่อทาจิตได้เช่นนั้น ท่านเรียกว่าเมตตาปรมัตถะปารมีธรรมะทั้งหลายที่ได้แสดงมาเหล่านี้เป็นมหาบริจาคเมื่อใครประพฤติตนได้แล้วย่อมสำเร็จประโยชน์ใหญ่คือพระนิพพานไม่หลงในสังขารคือความไม่เที่ยงไม่เอียงซ้ายคือความทุกข์ไม่ติดสุขแห่งอามิตรทำจิตของตนให้พ้นจากอาสวะทั้งปวงไม่ติดบ่วงอยู่ในอัตตาที่เรียกว่าตัวตน ทำจิตให้พ้นไปจากอนัตตาฉะนั้นเมื่อใครปรารถนาความดีประโยชน์ใหญ่ก็ควรพินิจพิจารณาน้อมทามทั้งหลายที่ได้แสดงมานี้ให้มีอยู่ในตนก็จะเป็นแนวทางให้สาเร็จความมุ่ง ม, มั่ปรารถนาทุกประการได้แสดงมาในมหาชาติคาถาที่เป็นบุคลาธิฐานให้สาเร็จพระโพธิญาณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างหนึ่ง ทำมาทิศฐานให้พวกเราพุทธบริษัททั้งหลายสาวกสาวิกาจงประพฤติปฏิบัติตามธรรมเหล่านั้นจะเป็นเหตุให้ประสบพบเห็นแต่ความเจริญงอกงามทุกทิพพาราตรีการมีใจความดังได้แสดงมาเอวังก็มีด้วยประการชนี้